พระพุทธศาสนาเสื่อมในเวลาเจริญเนี่ยเป็นอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อพุทธบริษัทมีศรัทธาญาติโยมมีความเลื่อมใสในพระศาสนาก็ทํานุบบารุงกันใหญ่เมื่อทํานุบบารุงกันมากคนที่บวชเข้ามาก็มีลาบสการะามากและเป็นอยู่สบายบางทีญาติโยมบารุงอย่างชนิดบำรเรหรือปรนเปเรอเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าพระไม่มีสติ